BOOK 2 67เจด67สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองยีลิกซามิริ2แว่นตา ก๊อซลิเขาลืมแว่นตาของเขาออกอซอกตเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนขเก๊นนาฬิกาส <Sa> นาฬิกาของเขาเสียอนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องเวลาบนผนังหนังสือเดินทาง <Pass> เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายอ p อพาสต unu kaybetti อพาสปอรต unu kaybetti แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Onun pasaportu nerede Onun pasaportu nerede <c oughs> พวกเขาของพวกเขา onlar sizler onlar sizler เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว a m ่เอเบเวิน leri เ e ลี่อยูองแต่เน leri เกลี่อย่คุณของคุณ s ิ z sizler siz, sizler สิสสิิสสิสสิสสิสสิสสิสสิสสิสสิสสิิสสิสสิส บายมุ ller รพันรายาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิวเลอร์ฮนมนิสเเรบายมนนนดบายมคุณของคุณซิซิลซิสลรการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ การทานรบ้าคุณสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธไอชินส์อยู่ท่บางคุณสมิธ